สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับกับผมนัทพงศ์ดีอุดและอาจารย์นัทรัตน์เพ็กรุ่นนะครับอาจารย์จากสาขาอาหารและผู้ชนะการคณะเทคโนโลยีข้าก ร, รมศาชการหมอทรอธัญบุรีครับ วันนี้รายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็ยังนำข้อมูลหลากหลายสาระนะครับเกี่ยวกับอาหารและพุชนาการมาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะครับอย่างช่วงแรกนะครับผมได้นำเรื่องราวของเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยหิวตลอดเวลานะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับก็ต้องมาติดตามในช่วงแรกนะครับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับส่วนในช่วงที่สองนะครับเมนูนักคิดนะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวของเคล็ดลับการซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรไม่ให้เป็นโรคนะครับและช่วงที่สามหุยข้างครัวต้องมาคอยติดตามกับ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 アッミクライマーマイティーロームーズンドウトンティーロウトクジャイモンハンパイミクジャクライミピンソンロウトウミーアッティーチキクイクン バンティーコンコーチャイワクワクナンマイトンカナライマクワチャイカムチャイティーハคนเรนนาเหมือนฉันลืม 「かんまないらしません」「よんゆうかんもらってかんまん」「ようかんぬん」「かんまん」「か バンティーコンクーチャイワクワマッドンカーナーライマクチャイガプチャイティーハイパンバンティーコンランムキューンバイ よろしくお願いします。 ののいいいい何 サウナも y ない เดลิเวอรี่ช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัว กลับมากับช่วงแรกแล้วนะครับกับเรื่องเราวของเหตุผลที่ทำให้เราหิวตลอดเวลานะครับใครที่กินเก่งนะครับก็ต้องอ้วนเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าหากเรายังกินมากกว่าที่เราเผาผลาญพลังงานออกไปยังไงเราก็ต้องอ้วนนะครับแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เรากินเก่งจนทำให้อ้วนอย่างนี้มันอาจจะมีสาเหตุที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากเป็นคนที่หิวง่ายกว่าคนอื่นลองมาเช็คตัวเองดูนะครับว่า เข้าข่ายพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่านะครับพฤติกรรมแรกก็คือนอนดึกนะครับการที่คุณนอนดึกนะครับทำให้คุณมีเวลาในช่วงของการคืนยาวนานกว่าคนปกตินะครับและอาจจะดิ้นเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหา อะไรทานเพราะหิวนะครับเพราะหากมีกิจกรรมทำหลายอย่างมีการใช้สมองนะครับใช้ความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราคงต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับดังนั้นอาหารมื้อหนักมื้อเบาอย่างกาแฟโกโก้ชาเขียวปั่นเค้กบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปนะครับหรืออาจจะเป็นไส้กรอกขนมปังแซนด์วิชอื่นๆก็จะตามมานะครับของเหล่านี้ทำให้เราอ้วนทั้งนั้นเลยนะครับ อย่างที่สองครับการงดข้าวครับแน่นอนว่าคนที่อยากลดน้ำหนักก็จะต้องเคยคิดนะครับว่าจะงดข้าวไปเลยมื้อหนึ่งนะครับ ค, คิดว่าการทานแค่วันละสองมือ้อหรือมื้อเดียวก็เพียงพอแล้วน้ำหนักก็จะลดลง เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของการงดข้าวนะครับโดวยเฉพาะมื้อเย็นนะครับที่หลายคนคิดว่างดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเย็นคงไม่ได้ใช้พลังงานที่อะไรมากนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วนั้นเราไม่แนะนำให้งดนะครับเพียงแค่ลดอาหารที่ให้พลังงานสูงมากกว่าอย่างไรการทานอาหารสามมื้อครบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อกระบวนการระบบการย่อยอาหารของร่างกายนะครับกลัวจะถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเราผ่านเวลาไปอีกหลายชั่วโมงนะครับเราจะปล่อยให้ท้องว่างไปอีกสิบชั่วโมงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะมีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาอยู่เวลาดึกนะครับแล้วทานอาหารเข้าไปมากกว่าที่จะควรทานนะครับเชื่อเถอะนะครับใครที่ฟังผมมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะพยักษหน้าเงึกเงึกนะครับแสดงว่าคุณเคยทำมาก่อนแล้วใช่ไหมครับ อย่างที่สามครับความเครียดครับไม่ว่าจะเครียดเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวอื่นๆนะครับเรามักจะลงเอยด้วยพฤติกรรมในการทานอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับบางคนอาจจะทานไม่ลงจนพ่ายพอมหรือบางคนก็เช่นกันนะครับก็คือทานเยอะจนทานมากขึ้นทานอะไรก็อร่อยนะครับทานเป็นสิ่งย้อมใจหรือว่าทานให้ลืมเรื่องหลายๆไปนั่นแหละนะครับโดยความเครียดที่สามารถ ทำให้ร่างกายหลั่งสารฮอร์โมนเกรสตินทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นได้เช่นกันนะครับอย่างที่สี่นะครับร่างกายขาดน้ำนะครับบางครั้งร่างกายก็ส่งสัญญาณว่าหิวน้ำแต่เราอาจเข้าใจว่าเราหิวข้าวก็ได้นะครับนอกจากจะดื่มน้ำเปล่าเฉยๆอาจจะลงเอยด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มเซ็ตใหญ่นะครับจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานที่มากกว่าที่จำเป็นก็ได้นะครับดังนั้นหากอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับหรือคุณมั่นใจว่าทานอาหารครบสามมื้อดีแล้วทำไมยังหิวให้ลองดื่มน้ำเปล่าก่อนนะครับ เพราะคุณอาจจะแค่กระหายน้ำผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วคุณยังหิวอยู่ให้ลองหาอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยอาหารมาทานนะครับเช่นโยเกิร์ตใส่ผลไม้เป็นต้นนะครับอย่างที่ห้าอย่างสุดท้ายนะครับแอลกอฮอล์นะครับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่มาของการกระหายน้ำเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะหิวน้ำนะครับคุณอาจจะหลงเอ่ยด้วยการทานกับแก้มมากมายเพราะเข้าใจว่าตัวเองหิวข้าวนั่นเองครับนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีส่วนที่ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเกรสตินที่ทำให้ร่างกายรู้สึกว่า หิวออกมาอีกด้วยนะครับหากสามารถลดพฤติกรรมทาง5ข้อนี้ได้นะครับแล้วเริ่มออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย 3-4 ครั้งนะครับเข้านอนให้เร็วขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอรับรองว่าคุณจะหิวน้อยลงกว่าเมื่อก่อ น, อนมากเลยนะครับการลดความอ้วนของคุณก็จะสำเร็จผลในที่สุดผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามกับเมนูนักคิดครับ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 やったら。 「声援が止まる」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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามกลับเข้าสู่ช่วงที่สองแล้วนะครับเมนูนักคิดกับเคล็ดลับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรไม่ให้เปิ้นโรคนะครับต้องบอกว่าโรคอันตรายหลายโรคนะครับมาจากอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่กับความสะอาดของส่วนประกอบที่ใช้ในการทำอาหารนะครับหลายคนหลีกเลี่ยงอาหารนอกบ้านเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดโรคทางเดินอาหารต่างๆนะครับอันที่เกิดมาจากวัตถุดิบที่ไม่สะอาดของร้านค้าทั่วไปนะครับแต่ถึงกระนั้นการซื้อเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารทานเองก็อาจจะยังมีความเสี่ยงหากเราเลือกซื้อไม่เป็นนะครับดังนั้นเรามาดูวิธีเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆกันดีกว่านะครับ เนื้อหมูเนื้อหมูนี้ต้องไม่มีกลิ่นคาวเหม็นคาวมีสีชมพูสดนะครับเนื้อเรียบสวยนะครับไม่มีเม็ดสาคูเพราะนั่นอาจเป็นพยาธิตัวตืดของหมูหนังหมูเรียบลื่นนะครับเนื้อเย็นไม่อุ่นมือมากจนเกินไปกดเนื้อดูแล้วไม่เละหรือว่านุ่มจนเกินไปนะครับอย่างที่สองเนื้อไก่ครับ เนื้อหนังสดใสนะครับไม่ซีดไม่มีกลิ่นเหม็นคาวหากเป็นส่วนอกต้องมีชิ้นหนานะครับส่วนขาต้องอ้วนสั้นเนื้อเยอะพับงอขาได้ง่ายดวงตาสดใสและหากจะนำไปต้มให้ใช้ไก่อ่อนหากนำไปอบหรือทอดให้ใช้ไก่แก่นะครับอย่างที่สามเนื้อวัวครับเนื้อวัวต้องมีสีแดงสดนะครับหรือออกเข้มจนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยนะครับ มันของเนื้อเป็นสีขาวไม่ใช่สีเหลืองนะครับหรือว่าเหลืองเข้มไม่มีกลิ่นเหม็นคาวมีความชุ่มชื่นไม่แห้งจนเกินไปและเนื้อแน่นนะครับกดแล้วไม่ยุบเป็นรอยบุ๋มได้ง่ายและควรเลือกซื้อเนื้อชิ้นใหญ่ๆมากกว่าชิ้นที่แลทิ้งไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับอย่างที่สี่นะครับกุ้งครับเลือกกุ้งที่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับ หัวเปลือกหางติดแน่นกับลำตัวนะครับลวกแล้วหางไม่ดำเนื้อแน่นไม่ยุยและมีรสชาติหวานไม่จืดสนิทนะครับอย่างที่ห้าปลาหมึกนะครับปลาหมึกต้องมีตาที่มีสีใสไม่ขุ่นขาวนะครับต้องมีตาติดมากับหัวด้วยนะครับหนังสวยไม่มีรอยทะเลาะหรือรอยขัดนะครับหัวกับตัวไม่หลุดออกจากกันเนื้อปลาหมึกแน่นไม่ยุยถือปลาหมึกตรงกลางลำตัวพร้อม ต้องพับเล็กน้อยไม่แข็งหรืออ่อนนุ่มจนเกินไปนะครับอย่างต่อไปปูนะครับปูต้องซื้อปูสดๆเป็นๆ เ, เลยนะครับกดแล้วตวดต้องไม่ยุบตากระดุกกระดิกได้นะครับสีสดไม่ซีดเซียวขาทุกส่วนอยู่ในสภาพดีนะครับอย่างต่อไปปลานะครับลำตัวสีสดใสเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่ากลิ่นคาวปลามีได้ตามปกตินะครับดวงตาสดใสไม่ขุ่นมัวไม่จมลงไปในเบ้าตานะครับ เหงือกป่าสีแดงสดใสและอย่างสุดท้ายหอยนะครับหอยต้องอยู่ในสภาพดีนะครับตัวอยู่ในเปลือกเปลือกไม่แตก หุบแน่นสนิทไม่เปิดอ้านะครับและหากเปิดอ้าอยู่ต้องหุบแน่นโดยเร็วนะครับต้องเป็นหอยที่เป็นๆ น, นะครับทั้งนี้หากอยากปรุงอาหารอย่างปลอดภัยไร้โรคนะครับควรปรุงให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทานดิบๆหรือกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับหรือทำให้สุกโดยใช้เพียงมะนาวเท่านั้นนอกจากนี้หลังซื้ออาหารมาปรุงรับประทานนะครับควรรีบนำมาปรุงให้หมดไม่เกินสามวันนะครับและระหว่างนั้นควรเก็บไว้ในตู้แช่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบสาม องศาเซลเซียสไปนะครับแช่ในน้ำแข็งที่อยู่ภายนอกแล้วค่อยๆละลายอาจเย็นไม่พอที่จะเก็บเนื้อสัตว์ดิบๆได้นะครับบูดเน่าหรือแมเลงหว่านตอมได้นะครับเคล็ดลับของการเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรไม่ให้เป็นโรคที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี ジャッタープランプランチユーセンクラヤンダーロイデンユキンカンディアンソンセ 「じゃあブい」างด ファンパイトクルンはどまちん クリップクリップクリップクリップクリップクリップัリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップมอップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリิプクリップクリッบหรือยับプクリップクリップクリップัリップクリップกリップクリップクリップクリップクリップクリップ だいじゅうきんこにらん。やくるうちたおこまきらいでる。ちたおこまきよでる。ちまいらりんべちまい。やくるうちだおこまきよでる。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 แหล่งเรือนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอโนรักฎที่ р บโ ร, รวมสายพันบัวมากกว่า100ัส่ายพันทั้งบัวพันธัยฮายาก BCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBC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 ไลน์ออฟฟิเชียล RMUTT ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัยฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงกุยข้างครัว สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนัชรัตน์แพรกุลในช่วงคุยข้างขวดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่คุณผู้ฟังหรือหลายๆท่านนะฮะรู้จากกันว่าโรคไข้เลือดออกนั้นนะฮะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกล็ดเลือดนั้นต่ำลงนะฮะและหากรักษาโรคไข้เลือดออกไม่ทันก็จะทำให้เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะ โรคเคยเล็ดออกแล้วนะฮะเรายังมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะเกิดเลือดต่ำได้อีกด้วยนะได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมนั้นจะพามารู้จักกับภาวะเกิดเลือดต่ำว่าเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะฮะและเรามีวิธีการที่จะเพิ่มเกิดเลือดได้อย่างไรนะฮะก่อนอื่นนะฮะเรามาทำความรู้จักกับเกิดเลือดก่อนนั้นว่าคืออะไรนะเกิดเลือดนะฮะ คือเซลลเมซ์เลือดช át test 1 הח centimetre ที่ช่วยทำให้เลือดแข่งตัวเป็นริ่มนะฮะนาทีส م ขัญในการห้ามเลือดเมื่อเนื้อเยื้อ currently campaigning ช่วยอุดรวยชิคขาดของเส้นเลือด ve lathrukt zipper ังความีครม ب าดด Thirty-Ace ждt. เลือดต่ำก็อาจทะทำให้มีปัญหา ד ้านเลือดออกง่ายยุดยากเป็นต้นซึ่งโดยปกติแล้ว�่ะเก็ตเลือ แต่ละเกล็ดจะมีอายุหลายเวียนอยู่ในกระแสเลือดประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะฮะเมื่อหมดอายุก็จะถูกกำจัดออกเพื่อไปให ไขกระดูกสลังนั้นสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับโดยปกติแล้วนะฮะคนเหล่านั้นจะมีเกล็ดเลือดประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นถึงสี่แสนห้าหมื่นเซลล์ต่อลูกบาทเมรตรนะฮะดังนั้นหากร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำกว่าหนึ่งแสนนะฮะจะถือว่ามีเกล็ดเลือดต่ำนะซึ่งถ้าเกล็ดเลือดต่ำเพียงเล็กน้อยอาจไม่มีอาการแสดงมาก แต่ถ้าว่าหากเกจเลือดต่ำ ม, มากๆร่างกายก็จะเริ่มมีความผิดปกตินะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เกจเลือดต่ำ ม, มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะฮะโดยสามารถจำแนกออกเป็นสาเหตุหลักๆได้ดังนี้นะหนึ่งนะครับไขกระดูกสร้างเกจเลือดไม่เพียงพออันเกิดจาก โรคโลหิตจางไขกระดูกฝ่อทำให้ไขกระดูกนั้นไม่สามารถที่จะสร้างเกล็ดเลือดและมีเม็ดเลือดได้เพียงพอะะหรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอันเป็นสาเหตุให้ไขกระดูกและสเตมเซลล์ของเกล็ดเลือดถูกทำลายะะหรือโรคพันธุ ก, กรรมเช่นภาวะภูมิต้านทานบกพร่องะะหรือการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นไวรัสแดงกะะีสาเหตุของโรคไขเลือดออก หรือเชื้อไวรัสโรคอิสุกอิใสคังทูมหัดเยอรมันนะฮะหรือการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสีหรือเคมีบำบัดนะฮะก็อาจจะทำให้เกล็ดเลือดน้อยลงเช่นเดียวกันแนะะ่หรือการใช้ยาบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการสร้างเกล็ดเลือดเช่นยาขับปอดสวาะนะฮะหรือยาแอสเพอรินเป็นต้นนะฮะหรือการขาดวิตามินและแร่ธาต เช่นกลุ่มของวิตามินบีสิบสองโฟเลตแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับหรือมีพฤติกรรมนะติดแอลกอฮอล์นะซึ่งจะผลต่อการสร้างเกล็ดเลือดได้เช่นเดียวกันนะฮะสาเหตุที่สองนะเกล็ดเลือดถูกทำลายหรือถูกใช้มากเกินไปอันจะเกิดจากโรคภูมิแพ้ตัวเองซึ่งแทนที่ภูมิต้านทานจะกำจัดเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆกลับมาทำลายเกล็ดเลือดแทนทำให้เกล็ดเลือดนั้นต่ำลงนะฮะและอาจเป็นสาเหตุของโรค S.L.D. โรคลูปัสนะฮะหรือโรคไขข้อรูมาตอยอักเสบนะครับหรือการติดเชืย้อแบคทีเรียนในเลือดหรือไวรัสชนิดโมโนคิโอติดนะฮะหรือโรคต่างๆที่จะทำให้เกิดภาวะเกิดเลือดนั้นถูกทำลายหรือมีภาวะการผ่าตัดครั้งใหญ่นะฮะซึ่งอาจทำให้เกิดเลือดถูกใช้ไปสมันแผลเป็นจำนวนมากนะครับหรือการตั้งคันนะฮะก็พบได้ว่าร้อยละห้านะฮะ อาจเกิดจากการตั้งคันที่เกล็ดเลือดนั้นไปช่วยรักษาหรือสมานทารกในการเกิดเป็นเซลล์ต่างๆในการสร้างเซลล์นะครับสาเหตุที่สามนะฮะเกล็ดเลือดถูกกักอยู่ในม้ามมากเกินไปนะฮะโดยปกติแล้วม้ามนั้นเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ขจัดเชื้อโรคนะฮะหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วน ะ, ะและม้ามจะกักเก็บ เกล็ดเลือดไวประมาณหนึ่งในสามของร่างกายนะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีการติดเชื้อนะฮะหมาสก็จะกักเก็บเกล็ดเลือดไวมากขึ้นทำให้หมาสโตได้นั่นเองนะฮะส่วนอาการที่จะบอกว่าเกล็ดเลือดต่ำนั้นมีอาการเป็นอย่างไรนะฮะสามารถสังเกตได้และเช็คได้ด้วยตนเองคือมีรอยจ้ำหรือรอยช้ำตามตัวเป็นจุดเลือดแดงๆเล็กๆนะฮะหรือเป็นจ้ำเลือด กระจายอยู่ตามร่างกายนะฮะหรือหากถูกของมีคมบาดแม้เพียงเล็กน้อยเลือดจะไหลเป็นจำนวนมากและไหลไม่หยุดไหลง่ายนั่นเองนะฮะเลือดกำเดาไหลบ่อยนะฮะเลือดออกตามไรฟันนะฮะปัสสาวะเป็นเลือดอุจจาระเป็นเลือดประจำเดือนมามากกว่าปกตินะฮะมีภาวะซีดอ่อนเพลียง่ายม้ามโตมีภาวะดีซ่านนะฮะ ส่วนถ้าคุณผู้ฟังนะอยากรู้ว่าถ้าเกล็ดเลือดต่ำนั้นมีอันตรายมากน้อยเพียงใดนะในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ำเพียงเล็กน้อยนะจากการติดเชื้อหรืออาการป่วยที่ไม่แรงแรงอาการอาดไม่รุนแรงและไม่เพียงไม่นานนะร่างกายจะสร้างเกล็ดเลือดขึ้นมาทดแทนได้แต่ถ้าว่าหากเกล็ดเลือด น, นั้นต่ำจากการที่ร่างกายสร้างเกล็ดเลือดเพิ่มไม่ได้นะหรือมีสาเหตุที่ทำให้เกล็ดเลือดถูกทำลายลงเรื่อยๆนะจนเกล็ดเลือด ต่ำกว่าหนึ่งแสนเซลล์ต่อลูกบาทมิลลิลิตรเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในร่างกายและหากเกล็ดเลือดเหลือน้อยกว่าสองหมื่นเซลล์ต่อลูกบาทมิลลิลิตรนะฮะก็อาจทำให้เลือดออกในร่างกายโดยไม่มีบาดแผลนะฮะและอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับเกล็ดเลือดมาทดแทนนะฮะ ส่วนการรักษานะฮะสามารถวิธีการรักษาโดยแพทย์อาจจะเลือกวิธีการรักษาเกล็ดเลือดต่ำดังนี้นะฮะหนึ่งนะรักษาด้วยยานะฮะแพทย์จะวินิจฉัยจากสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดต่ำนะฮะเช่นหากเกล็ดเลือดถูกทำลายก็อาจใช้ยาที่ช่วยยับยั้งการทำลายของเกล็ดเลือดหรือในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองก็อาจใช้ยาออกฤทธ กดพุ่มคุ้มกันส่วนในเคสที่หรือในรายที่ร่างกายสร้างเกล็ดเลือดไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะแพทย์อาจจะให้ยากระตุ้นให้ร่างกายสร้างเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นทางนี้การเลือกใช้ยานะฮะรักษาเกล็ดเลือดต่ำก็ขึ้นอยู่กับการรักษาของแพทย์นั่นเองนะฮะหรือสองนะฮะรักษาด้วยการให้เลือดแลกเกล็ดเลือดนั่นเองนะฮะ ในเคสที่ผู้ป่วย ม, มีเลือดออกหรือสีเลือดมากนะครับแพทย์ก็จะให้เลือดและเก็บเลือดเพื่อทดแทนในส่วนที่สูญเสียไปนะฮะส่วนการรักษาข้อที่สามนะฮะรักษาด้วยการตัดม้ามนะฮะกรณีที่ร่างกายนะครับมีการทำลายเกล็ดเลือดมากมากแพทย์อัดรักษาด้วยพิธีการตัดม้ามนะฮะเพื่อยับยั้งการทำลายของเกล็ดเลือดในร่างกายนั่นเองนะครับ ส่วนด้านอาหารนะฮะอาหารสำหรับที่จะช่วยในการเพิ่มเกล็ดเลือดนั้นมีอะไรบ้างต้องกินอะไรบำรุงอะไรนะฮะอันแรกนะฮะคือน้ำคั้นใบมะละกอสดนะฮะจากข้อมูลงานวิจัยของนายแพทย์สมยศกิติมั่นคงและด็อกเตอร์นายแพทย์กิติเกิดฤทธิ์นะฮะได้ให้ข้อมูลไว้วารสารกลุ่มการแพทย์ว่ามีงานวิจัยในต่างประเทศให้ผู้ป่วยไข้ใครเลือดออกดื่มนั้นคั้น มรกรสดนะฮะสามสิบซีซีต่อวันนะฮะวันละสองครั้งนะฮะพบว่า น้ำคั้นใบมะละกอสดนะฮะช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดได้ภายใน48ชั่วโมงนะฮะโดยวิธีการทำคั้นใบมะละกอสดนะฮะให้ใช้ใบมะละกอพันใดก็ได้หนึ่งถึงสองใบล้างให้สะอาดนะแล้วนำใบมะละกอมาบดละเอียดเพื่อคั้นน้ำจากนั้นเติมน้ำพึ่งเล็กน้อยเพื่อดับความขมแล้วดื่มติดต่อกันประมาณสามถึงห้าวันก็จะทำให้เกล็ดเลือดมีปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะครับสองนะฮะโต ต้นอ่อนข้าวสาลีนะฮะเพราะว่านะจากรายงานงานวิจัยต้นอ่อนข้าวสาลีช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดได้และอาจช่วยเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดงฮิโมโอโกลบินและเม็ดเลือดขาวเพราะต้นอ่อนข้าวสาลีนะอุดมด้วยคอร์ริฟิลนะซึ่งมีโมเลกุลคล้ายกับฮิโมโอโกลบินเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับ ต่อมา LETRUP Fitness ม, มีหลักฐานทางวิทยาศาศาร์ธินยันว่าร์ Princess Time ช่วยการสร้างเกลดเลือนได้เพราะเมตรทัป TFם อุดโดมด้วยสารอาหารตางๆมาก ас กต1960ได้ author Bruno อาย politicians ส่วนต้อนต้อนปราณ์ที่สารตานอันมุลศิลาสูงมากนะฮะมีคุณสมบัสต İşte ช่วยลดการอักเสพฉุในอันการคร ifying และยงมีสับคุณจะสับที่มตนอีกด้วยนนเองนะฮะต่อมา lichkeit น, น้ำมันตบปลานะ ซึ่งน้ำมันตับปลานั่นเองนะจะช่วยเพิ่มการสร้างเกล็ดเลือดในร่างกายได้นะและการศึกษาหนึ่งพบว่าน้ำมันตับปลานอกจากมีโปรตีนสูงแล้วยังมีสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเกล็ดเลือดในร่างกายและคนที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำควรรับประทานน้ำมันตับปลา ต่อมานะฮะฟักทองนะฮะฟักทองมีวิตามิน A สูงซึ่งวิตามิน A นเองนะฮะช่วย ä ด ico lo 정 nelle เหความสล้าง เ, เลลกพอสมควรแล մι ดเองมี serves because of protein of protein in a principes state jab is shown in fatt along สูงของ ител baldomonitor ต่อสมหรือสูงพ CONCAN ซึ่งจะช่วยในการพลักดันทำภักท drawn method of protein forrhizators in a stringent ของร่างกายได้ thank you ส่วนต่อมานะฮะอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะซึ่งวิตามินซีเองเป็นสารอาหารที่สำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเกล็ดเลือดในร่างกายได้อีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะก็คือผักใบเขียวนะเพราะว่าผักใบเขียวอย่างคะนา้าผักโขมกวางตุ้มผักบุ้งนะฮะจะมีวิตามินเคค่อนข้างสูงซึ่งวิตามินเคนั่นเองนะฮะมีส่วนสำคัญในการ จะตรงพร้อมูดเล employment แล ะ, ก, ระตนการสร้างเกดเลือด itt Resources นะครับ tinc paw like เร shepherdenent interview in the fellowshipKK การ Arc Пр 125ในโรคแบบร acy ทิ่ง Standing. โทร graduate of Chinese Londos um War into Lehless tää camp grip กรเลย10ที่ทำให้เขลดเลือดต่อมแลกลับ ม, มา onegunt that rodent up dual advantage พวกต่องทรงพร้อม Hastice Shing น้ำมะขาป้อมนนเองนะมีสูญวนช่วยในกาเพพ่อสร้าง game ลุค mäßig วตามนสง says sharp, form of calcium and 50 сид comes from Vicom с hacks ก็เป็นได้นั่นเองนะครับลำดับต่อมานะฮะแครอทและก็บีทรูตนะฮะจากการศึกษาพบว่าการรับประทานแครอทและบีทรูตในปริมาณหนึ่งถ้วยตวงอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์นะมีส่วนช่วยในการสร้างเกล็ดเลือดได้อีกเช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหมครับมีอาหารที่หลากหลายนะที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้น การสร้างเกล็ดเลือดได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนถ้าโรคเกล็ดเลือดต่ำถามว่ามีวิธีป้องกันไหมนะแม้ในบางเคสเราจะไม่สามารถจะป้องกันภาวะเกล็ดเลือดต่ำได้นะเนื่องจากเป็นหนึ่งในอาการของโรคที่เป็นอยู่นะฮะแต่ในคนที่ไม่ได้ป่วยนะฮะก็สามารถป้องกันภาวะเกล็ดเลือดต่ำได้ดังนี้นะฮะหนึ่งนะฮะพยายามดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจัด โรคไขเลือดออกนะสองรักษาเนื้อรักษาตัวให้พ้นจากการติดเชืย้อแบคที ria หรือไวรัสที่อาจสพ่งผลต่อการสร้างเข็ดเลือดได้นะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเคมีสารเคมีเป็นเวลาในนานโดยเฉพาะสารหนูยาฆ่าแมลงและก็เบนซินนะฮะแล้วพยายามไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกหอฮอลอรับประทานอาหารในคบรบท่าหมู่นะแล้วหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะหากพบว่าเลือดออกได้ง่ายผิดปกติหรือมีรอยช้ำไม่ทราบสาเหตุก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ทันทีนะฮะภาวะเกลือเลือดต่ำนะจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหากคุณผู้ฟังนั้นรู้เท่าทันอาการและเข้ารับการรักษาได้ทันดังนั้นอย่าลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะจากคณะ แพทยศาสตร์เนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็วารสารกรมการแพทย์สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับเราพักเบรกกันสักครู่นะฮะแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงเปิดมอส์นะครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี みうわちゃいとまいとまいしとにちゃいちんこんぴんまいにくいこまらとまいしとえばちんこんまいもろいもんまいへんくいとわりわきゅうらうんんんぽんんとすいにちゃいんちん トキャムディーモットラーレンデファーシャタティマンカンカンヘイトキャプチュンラッテマイニーワンエンチンインジャイトンカンジャンポーシマンホプチャカンドンラッティアン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 สุดนวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดสูนย์การค้าบ่างซื้อจังชั้นมหาวิทีอะไรเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลาก่อนและพูดให้สนใจ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 ห้าสี่เก้าสามหกห้าสามสถานสุขภาพความงามบัวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี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 กลับมาในช่วงสุดท้ายนะวันนี้นะฮะผมมีเมนูของอาหารทางเหนือนะฮะที่หลายๆท่านอาจจะชื่นชอบนะกับเมนูที่ชื่อว่าไส้อั่วนะฮะซึ่งวิธีการทำและส่วนผสมดูเหมือนจะยุ่งยากนะแต่จริงๆแล้วไม่ยุ่งยากเลยและก็มีไม่มากด้วยนะฮะส่วนผสมของไส้อั่วนะก็จะมีหมูติดมันนะฮะประมาณห้าร้อยกรัมนะฮะ น้ำพริกแกงแดงหรือน้ำพริกแกงไส่อัว่วประมาณสามช้อนโต๊ะนะฮะผงขมิ้นหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะใบมะกรูดซอยนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาต้นหอมกับผักชีซอยหนึ่งถ้วยแล้วก็ไส้หมูสลับยัดไส้อั่วนั่นเองนะครับถ้าหากท่านใดนะฮะไม่หากสามารถที่จะซื้อเครื่องแกงนะฮะของ ไส้อั่วได้นะฮะก็จะมีส่วนผสมดังนี้นะฮะพริกแห้งเม็ดใหญ่ประมาณสองเม็ดพริกขี้หนูแห้งสประมาณครึ่งถ้วยนะฮะกระเทียมสิบกรีหอมแดงหกหัวตะไคร้สามต้นผิวมะกรูดหนึ่งช้อนโต๊ะข่าสามช้อนโต๊ะขมิ้นสองช้อนโต๊ะรากผักชีสามช้อนโต๊ะกระปิหนึ่งช้อนชาและรูปผักชียี่หล่าขั้ว หกละเอียดสามช้อนชานั่นเองนะฮะวิธีการทำนะฮะก็นำทุกอย่างนะฮะผสมเข้าด้วยกันโคลงให้ละเอียดนะจากนั้นนะฮะนำไปผสมด้วยเนื้อหมูนะครับคลุกเคล้าวให้เข้ากันนะฮะมีการและมีการเติมผงขมิ่นนะเล็กน้อย ปรุงรส ด, ด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เติมด้วยใบมะกรูดซอยต้นหอมซอยผักชีซอยนะฮะคลุกเคล้าวให้เข้ากันนะฮะจากนั้นนะครับนำมาบรรจุในไส้นะฮะแล้วก็มัดด้วยได้ายสีขาวนะฮะสามารถนำไปพึ่งให้ตากแดดให้แห้งเล็กน้อยแล้วค่อยนำไปทอดหรือนำไปอบนะฮะ เทคนิคนะฮะถ้าจะทอดหรืออบไม่ให้ไส้แตกนะให้นำเข็มหรือไม้จิ้มตาลนะจิ้มที่ไส้อั่วตรงที่มีฟองอากาศลอยขึ้นมานะเพื่อให้อากาศนั้นออกจากไส้ให้หมดนะฮะแล้วนำไปพึงให้อากาศออกจนหมดนะฮะให้ผิวนอกมีความแห้งตึงแล้วค่อยนำไปย่างไปทอดหรือไปอบก็จะทำให้ไส้อั่วนั้นไม่แตกนั่นเองนะครับ วันนี้นะก็ขอลาไปก่อนกับเมนูไส่อ้วนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรีสถานสุขภาพความงามบัวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th